163คุลาธิอนุชานานาว่าด้วยทรงอนุญาตน้ำอ้อยงบเป็นต้นเรื่องน้ำอ้อยงบ272ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกรุงสาวัตถีตามพระอัทยาสายแล้วสเสด็จไปกรุงราชครื ในระหว่างทางท่านพระกังขาเรวตะแวะเข้าโรงทำน้ำอ้อยงบเห็นเขาผสมแป้งบ้างเท่าบ้างลงในน้ำอ้อยงบยำเกรงอยู่ว่าน้ำอ้อยงบเจออามิตรเป็นของไม่ควรฉันในเวลาวิกาลพร้อมด้วยบริษัทไม่ฉันน้ำอ้อยงบแม้ภิกษุทั้งหลายที่เชื่อฟังท่าน ก็พลอยไม่ฉันน้ำอ้อยงบไปด้วยภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายชาวบ้านผสมแป้งบ้างเท่าบ้างลงในน้ำอ้อยงบเพื่ออะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เพื่อให้น้ำอ้อยเกาะกันแน่นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเขาผสมแป้งบ้างเท่าบ้างลงในน้ำอ้อยงบเพื่อให้เนื้อน้ำอ้อยเกาะกันแน่นน้ำอ้อยงบนั้นก็ยังคงเป็นน้ำอ้อยงบเหมือนเดิมเราอนุญาตให้ฉันน้ำอ้อยงบได้ตามสบาย